ปาราชิกส 1. เศพเมถุนต้องปาราชิก 2. ภิกษุถือเอาของที่เจ้าของไม่ได้ให้ในราคาห้ามาศต้องปาราชิก 3. ภิกษุแกล้งค่ามนุษย์ให้ตายต้องปาราชิก 4. ภิกษุปวดอุตริมนุสธรรมคือธรรมะอันยิ่งของมนุษย์ที่ไม่มีในตน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 4. ภิกษุมีความกำนัดอยู่พูดล่อให้หญิงบำเรอตนด้วยการต้องสังคาที่เศษ 5. ภิกษุชักสื่อให้ชายหญิงเป็นผัวเมียกันต้องสังคาที่เศษ 6. ภิกษุสร้างกุฏิหรือกุฏิที่ต้องก่อและโบกด้วยปูนหรือดินซึ่งไม่มีใครเป็นเจ้าของจำเพาะเป็นที่อยู่ของตน ต้องทําให้ได้ประมาณโดยยาวเพียงสิองคืบพระสุคตโดยกว้างเพียงเจ็ดคืบวัดในร่วมในและต้องให้สงแสดงที่ให้ก่อนถ้าไม่ให้สงแสดงที่ให้ก็ดีทําให้เกินประมาณก็ดีต้องสังคารที่เศษ7ถ้าที่อยู่ซึ่งจะสร้างขึ้นนั้นมีทายกเป็นเจ้าของทําให้เกินประมาณนั้นได้ แต่ต้องให้สงสดงที่ให้ก่อนถ้าไม่ให้สงสดงที่ให้ก่อนต้องสังฆาทิเศษ 8. ภิกษุโกรธเคืองแกล้งโจทย์พิุอื่นด้วยอาบัติปาราชิกไม่มีมูลต้องสังฆาทิเศษ 9. ภิกษุโกรธเคืองแกล้งหาเล่โจทย์พิุอื่นด้วยอาบัติปาราชิกต้องสังฆาทิเศษ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 ส2ภองภิกษุว่ายากสอนยากภิกษุอื่นห้ามไม่ฟังสงสวดกรรมเพื่อจะให้ละข้อที่ประพฤตินั้นถ้าไม่ละต้องสังคาที่เศษสิบสา3ภิกษุประทุษร้ายตระกูลคือประจบเข้ารือหัดสงไล่เสียจักวัดกลับว่าติเตียนสงภิกษุอื่นห้ามไม่ฟัง สงสวดกรรมเพื่อจะให้ละข้อที่ประพฤตินั้นถ้าไม่ละต้องสังคาทิเศษอนิยะตะสองหนึ่งภิกษุนั่งในที่รับตากับหญิงสองต่อสองถ้ามีคนที่ควรเชื่อได้มาพูดขึ้นด้วยธรรมะสามอย่างคือปาราชิกหรือสังคาทิเศษหรือปาจิตติอย่างใดอย่างหนึ่ง ภิกษุรับอย่างใดให้ปรับอย่างนั้นหรือเขาว่าจำเพาะธรรมะอย่างใดให้ปรับอย่างนั้นสองภิกษุนั่งในที่รับหูกับหญิงสองต่อสองถ้ามีคนที่ควรเชื่อได้มาพูดขึ้นด้วยธรรมะสองอย่างคือสังฆาที่เศษหรือปาจิตตีอย่างใดอย่างหนึ่งภิกษุรับอย่างใดให้ปรับอย่างนั้น หรือเขาว่าจำเพาะธรรมะอย่างใดให้ปรับอย่างนั้นนิสักยะปาจิตตีสามสิบแบ่งเป็นสามวักมีวักละสิบสิกขาบทจีวรวักที่หนึ่งหนึ่งภิกษุทรงอติเรกจีวรได้เพียงสิบวันเป็นอย่างยิ่งถ้าล่วงสิบวันไปต้องนิสักยะปาจิตตี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 แม้ถึงยังมีที่หวังว่าจะได้อยู่ต้องนิสัคิยะปาจิตตีสภิกษุใช้นางภิกษุณีที่ไม่ใช่ญาติให้ซักก็ดีให้ยอมก็ดีให้ทุกก็ดีซึ่งจีวรเก่าต้องนิสัคิยะปาจิตตีหภิกษุรับจีวรแต่มือนางภิกษุณีที่ไม่ใช่ญาติ เว้นไว้แต่แลกเปลี่ยนกันต้องนิสัคิยะปาจิตตีหกพิกษุขอจีวรต่อเขาฤ ห, หัสผู้ไม่ใช่ญาติไม่ใช่ปวารณาได้มาต้องนิสักคิยะปาจิตตีเว้นไว้แต่มีสมัยที่จะขอจีวรได้คือเวลาพิกษุมีจีวร อ, อันโจรลักไปหรือมีจีวร อ, อันชิบหายเสียเจ็ด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 ได้มาต้องนิสัขิยาปาจิตตีสิ 10. ถ้าใครๆนำซับมาเพื่อค่าจีวรแล้วถามภิกษุว่าใครเป็นวั ย, ยาวัจกรของเธอถ้าภิกษุต้องการจีวรก็พึงแสดงคนวัดหรืออุบาสกว่าผู้นี้เป็นวั ย, ยาวัจกรของภิกษุทั้งหลายครั้นเขามอบหมายวั ย, ยาวัจกรนั้นแล้วสั่งภิกษุว่า ถ้าต้องการจีวรให้เข้าไปหาวัยาวัจกรภิกษุนั้นพึงเข้าไปหาเขาแล้วทวงว่าเราต้องการจีวรดังนี้ได้สามครั้งถ้าไม่ได้จีวรไปยืนแต่พอเขาเห็นได้หกครั้งถ้าไม่ได้ขืนไปทวงให้เกินสามครั้งยืนเกินหกครั้งได้มาต้องนิสัขิยะปาจิตตี ถ้าไปทวงและยืนครบกําหนดแล้วไม่ได้จีวรจําเป็นต้องไปบอกเจ้าของเดิมว่าของนั้นไม่สำเร็จประโยชน์แก่ตนให้เขาเรียกเอาของเขาคืนเสียโกศยาวัตรที่สองหนึ่งภิกษุหล่อสันทัดด้วยขนเจียมเจือด้วยไหมต้องนิสกิยปาจิตตีสอง ภิกษุหล่อสันทัดด้วยขนเจียมดำล้วนต้องนิสักยะปาจิตตี 3. ภิกษุจะหล่อสันทัดใหม่พึงใช้ขนเจียมดำสองส่วนขนเจียมขาวส่วนหนึ่งขนเจียมแดงส่วนหนึ่งถ้าใช้ขนเจียมดำเกลนสองส่วนขึ้นไปต้องนิสักยะปาจิตตีสภิกษุหล่อสันทัดใหม่แล้ว พึงใช้ให้ได้หกปีถ้ายังไม่ถึงหกปีหล่อใหม่ต้องนิสักคิยะปาจิตตีเว้นไว้แต่ได้สมมุติห้าิกษุจะหล่อสันทัดพึงตัดเอาสันทัดเก่าคืบหนึ่งโดยรอบมาปนลงในสันทัทที่หล่อใหม่เพื่อจะทำลายให้เสียสีถ้าไม่ทำดังนี้ต้องนิสัคิยะปาจิตตีหก เมื่อภิกษุเดินทางไกลถ้ามีใครถวายขนเจียมต้องการก็รับได้ถ้าไม่มีใครนํามานํามาเองได้เพียงสามโยตถ้าให้เกินสามโยตไปต้องนิสักียะปาจิตตี7ภิกษุใช้นางภิกษุณีที่ไม่ใช่ญาติให้ซักก็ดีให้ยอมก็ดีให้สางก็ดีซึ่งขนเจียม ต้องนิสักขิยะปาจิตตีแปดพิสุรับเองก็ดีใช้ให้ผู้อื่นรับก็ดีซึ่งทองและเงินหรือยินดีทองและเงินที่เขาเก็บไว้เพื่อตนต้องนิสัขิยะปาจิตตีเก้าพิสุทําการซื้อขายด้วยรูปิยะคือของที่เขาใช้เป็นทองและเงินต้องนิสักขิยะปาจิตตี 10. ภิกษุแลกเปลี่ยนสิ่งของกับเขาฤ ห, หัสต้องนิสขกยะปาจิตตีปัตตวัคที่สามหนึ่งบาทนอกจากบาทอธิษฐานเรียกอติเรกบาทอาติเรกบาทนั้นภิกษุเก็บไว้ได้เพียงสิบวันเป็นอย่างยิ่งถ้าให้ล่วงสิบวันไป ต้องนิสักคยะปาจิตตี 2. ภิกษุมีบาดร้าวยังไม่ถึงสิบนิ้วขอบาดใหม่แต่เขา้าฤหัตที่ไม่ใช่ญาติไม่ใช่ปวารณาได้มาต้องนิสักคยะปาจิตตี 3. ภิกษุรับประเคนเภศัช ท, ทั้งห้าคือเนอยใสเนยข้นน้ำมันน้ำพึ่งน้ำอ้อย แล้วเก็บไว้ฉันได้เพียงเจ็ดวันเป็นอย่างยิ่งถ้าให้ล่วงเจ็ดวันไปต้องนิสักคียะป่าจิตตีสเมื่อฤดูร้อนยังเหลืออยู่อีกเดือนหนึ่งคือตั้งแต่แรงข้ามหนึ่งเดือนเจ็ดจึงสแสวงหาผ้าอาบน้ําฝนได้เมื่อฤดูร้อนเหลืออยู่อีกกึ่งเดือนคือตั้งแต่ขึ้นข้ามหนึ่งเดือนแปดจึงทํานุ่งได้ ถ้าสแสวงหาหรือทำนุ่งให้ล้ำกว่ากำหนดนั้นเข้ามาต้องนิสักขิยะปาจิตตีหภิพิุให้จีวรแก่พิกษุอื่นแล้วโกรธชิงเอาคืนมาเองก็ดีใช้ให้ผู้อื่นชิงเอามาก็ดีต้องนิสักขิยะปาจิตตี 6. ภพิษุขอได้แต่ขาหรหัดที่ไม่ใช่ญาติไม่ใช่ปวารณา เอามาให้ช่างหูกทอเป็นจีวรต้องนิสัขิยะป่าจิตตี7ถ้าเขารือหัดที่ไม่ใช่ญาติไม่ใช่ปวาวรนาสั่งให้ช่างหูกทอจีวรเพื่อจะถวายแก่ภิกษุถ้าภิกษุไปกาหนดให้เขาทำให้ดีขึ้นด้วยจะให้รางวัลแก่เขาต้องนิสัขิยะป่าจิตตีแป ถ้าอีกสิบวันจะถึงวันปวาราณาคือตั้งแต่ขึ้นหกค่ำเดือนสิบเอ็ดถ้าถายกรีบจัดถวายผ้าจํานำพรรษาก็รับเก็บไว้ได้แต่ถ้าเก็บไว้เกินการจีวรไปต้อง น, นิ้สักคียะปาจิตตีการจีวร น, นั้นดังนี้ถ้าจำพรรษาแล้วไม่ได้กรานกฐินนับแต่วันปวาราณาไปเดือนหนึ่ง คือตั้งแต่แรามค่ำหนึ่งเดือน11ถึงกลางเดือน12ถ้าได้กลางกระถินนับแต่วันปรวรณาไปห้าเดือนคือตั้งแต่แรามค่ำหนึ่งเดือน11ถึงกลางเดือนส 9. ภิกษุจำพรรษาในเสนาสนะป่าซึ่งเป็นที่เปลี่ยวออกพรรษาแล้วอยากจะเก็บไตรจีวรผืนใดผืนหนึ่งไว้ในบ้าน เมื่อมีเหตุก็เก็บไว้ได้เพียงหกคืนเป็นอย่างยิ่งถ้าเก็บไว้ให้เกินหกคืนไปต้องนิสักคยะปาจิตตีเว้นไว้แต่ได้สมมุติสิบภิกษุรู้อยู่น้อมลาบที่เขาจะถวายสงมาเพื่อตนต้องนิสักคยะปาจิตตี